พิธีกรรมมีประโยชน์อย่างไรมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อเรื่องการถวายข้าวพระพุทธหลวงพ่อให้คำอธิบายไว้ดังนี้เป็นพิธีกรรมเพื่อการบูชาพิธีกรรมอันนี้เป็นอุบายอบรมจิตใจของเราให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นเช่นอย่างเรามีดอกไม้บูชาพระ ท่านไม่รู้เรื่องหรอกแต่ความดีมันเกิดที่เราต่างหากอย่างการแผ่เมตตาเนี่ยใครจะได้รับหรือไม่ได้รับมันก็เป็นความดีสำหรับเราการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลใครจะได้รับหรือไม่ได้รับมันก็เป็นความดีสำหรับเรามันมีพิธีกรรมอันหนึ่งซึ่งหลวงพ่อได้ทดสอบมาด้วยตนเองเคยไปทุ่ ด, ดง แล้วก็เดินทางร่วมไปกับพระที่เรียนวิชาอาคมในการขับผีไล่ผีหลวงพ่อมีแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและเมตตาพรหมวิหารไปนอนอยู่ร่วมไม้แห่งเดียวกันหมอวิชาอาคมนี่พอหลับลงไปท่องแต่มนไล่ผีลงผลสุดท้ายหมอบอกว่าโอ้ยตรงเนี้ยผีมันเยอะนอนไม่ได้ ก็หนีไปนอนที่อื่นหลวงพ่อบอกว่านอนซะเดี๋ยวจะทำให้ได้นอนพ่อหมอนอ น, อนแล้วหลวงพ่อก็ท่องอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาอธิษฐานจิตขอสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็นั่งกำหนด จ, จิตทำสมาธิปรากฏว่าหมอนั่น นอนหลับปุ๋ยตลอดคืนยันรุ่งผีไม่มากวนเลยพอตื่นเช้ามาหมอถามว่าไปได้มนดีมาจากไหนทำไมเก่งนักหนาะหลวงพ่อก็บอกว่ามนผมก็อิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนเมตตาพรหมวิหารเท่านั้นเองเขาถามกลับว่าที่ผมเรียนธรรมะเรียนอะไรมาเนี่ยทำไมสู้มันไม่ได้ หลวงพ่อตอบไปว่ามันจะไปสู้ได้ยังไงพวกที่มันเป็นผีมาสู้พระเนี่ยมันหมอวิชาอาคมกันทั้งนั้นมันจึงกล้าเข้ามาเล่นงานพระ